บุตธรรมชราัมกัจฉาบุธรรมชราัมกัจฉามััรััจฉา ท่านผู้ฟังที่กรุปครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประลัดสมทบพระกะโมวัดกลาง อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องพรหมชาณสูตรทำการบรรยายครั้งที่สามขอเชิญท่านรับังได้นำบัดนี้ครับ ขออนุโมทนากับพวกเรานะที่ตั้งใจในการที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็จะมาศึกษาต่อในพรหมชาลสูตรในทีขนิกายสีละขันธวักในพระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะแต่การฟังธรรมในวันนี้ก็จะมีสิ่งแต่ปลอมรบกวนเยอะก็ต้องมนสศการตั้งจิตกันให้ดีๆหน่อยเพราะว่า เหตุผลก็คือว่าสถานที่ที่เขากระทําก่อสร้างกันอะไกันก็จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ในครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของพมชาลสูตรเกาไว้ในพมชาลสูตรก็ดังที่ได้พูดก็ไว้ว่าเป็นพระสูตรค่อนข้างที่จักยาวเนี่ยในลักษณะของคําสอนของพระพุทธเจ้า น, นั้นน่ยกล่าวในเรื่องของศีลก็คือกล่าวในเรื่องของจุลศีลมาชิมศีลมหาศีลเป็นต้น ก็คือในศีที่ว่าว่าทีคัินกายศีแล้ววักศีลขันทวักวักแรกของทีคณิกายนั่นเรียกว่าศีละขันทวักเพราะยกเรื่องศีนขึ้นมาที่บายเป็นสารธรรมเบื้องต้นที่กล่าวอยู่ฉะนั้นในพระสูตรในวักเนี้ย <c oughs> เป็นการกล่าวในเรื่องของเรื่องศีนแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของทิฏฐิมูลเหตุในการที่เราจะต้องเรียนในเรื่องศีน เป็นต้นเหล่านั้นน่ะมีสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วในในเรื่องราวความเป็นมาต้นๆดังที่ได้เคยเกล่าวในครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของอัตถกถาของพรหมชารสูตรที่พูดถึงในเรื่องของทีคณิกายอ่ะในทีคณิกายที่บอกว่ามี34สูตรมีพรหมชารสูตรเป็นต้นที่ว่าจัดเป็นวักก็มีอยู่3ามวคในทีคณิกายเนี่ยนะที่ว่า34สูตรจัดเป็น3วักเนะี่ย นิกายที่1ชื่อว่าทีขณิกายนั่นชื่อว่าโดยอนุโลมนถามว่านิกายที่หนึ่งจึงเรียกว่าทีขณิกายเพราะเป็นที่ประชุมและเป็นที่อยู่ของประสูตรทั้งหลายที่มีขนาดยาวเขาเลยเรียกว่านิกายทีขณิกายเขาบอกว่ามูหรือที่อยู่มูก็ได้หรือที่อยู่ก็ได้ท่านเรียกว่านิกายฉะนั้นคำว่านิกายเนี่ยแปลว่ามูแปลว่าที่อยู่ ถ้าที่อยู่ของคําสอนที่มีขนาดยาวเขาเรียกว่าทีคณิกายถ้าที่อยู่หรือหมู่ของคําสอนที่มีขนาดปานกลางเขาเรียกมะชิมมะนิกายอย่างเงี้ยเป็นต้นงเงี้ยนีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นตรงนี้นะที่อยู่เนี่ยถ้าจะสับหรือนินกายเนี่ยคำว่าหมู่หรือที่อยู่เนี่ยมีอุทาหรณ์เป็นเครื่องสาทกทั้งในทางาศาสนาทั้งในทางโลกอาทิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นหมู่อื่นแม้หมู่หนึ่ง ซึ่งผิดแผลแตกต่างกันเหมือนหมู่สัตว์เดรฉาญเ น, นี่ยอันนี้ก็แผลว่านิกายเหมือนกันเช่นหมู่สัตว์เดราชาญเนี่ยอันนั้นก็จัดว่าเป็นนิกายนยีหรือเหมือนที่อยู่ของกษัตริย์ในโปนิกะที่อยู่ของกษัตริย์จิคลิกะเลยดังเนี้ยถ้าเนื้อความในทีคณิกายทั้ง4ที่เหลือเรียกว่านิกายบัณฑิตก็ทราบโดยในที่ไดวกล่าวมาแล้วนั่นเองธรรมชิมานิก า, กายก็เรียกว่าที่อยู่หรือพระสูตรที่มีขนาดกลางก็มีอยู่15บห้าวั สังยุตตะนิกายก็คือนิกายหรือที่อยู่เนี่ยนะที่มีพระสูตรที่ตรัสไว้จริงๆในในทีขันิกายเนี่ยมีอยู่34สูตรถ้าในมชิมนิกายมี152สูตรถ้าในสังยุตตนิกายมี7 7 6ดพสูตรถ้าในอังคุตตรนิกายก็มี 9,557 สูตรนี่นะแต่ถ้าขุทธการนิกายเนี่ยท่านจัดเป็นคัมภีร์เลยมีเยอะ มีทั้งหมด15กัมำพีตั้งแต่ขุทกกาปาถาเป็นต้นมีเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจัดเป็นแต่ละสูตรแต่ละสูตรเนี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 สูตรทำไมพุทธเจ้าสแสดงคำสอนมากขนาดนั้นเพรา ะ, สะแสดงไปตามจริตอัธยาศัยของสัตว์ใช่ฉะนั้นถ้าสัตว์โลกหรือท่านพู้นี้มีจริตมีอัธยาศัยอย่างไรุทธเจ้าก็กล่าวพระธรรมคำสอนตาม จิตอัธยาศัยของสัตว์โลกนั้นนั้นทีนี้ถ้ายกเว้นนิกายทั้ง4มีทีท่ขนันนิกายเป็นต้นเหล่านี้เสียพุทธพจน์อื่นหมายความว่าอยกเว้นทีขนิกายมะชุมมนิกา ย, กายสังยุตตนิกายอังคุตรนิการเนะี่ยยกเย็นยกเว้นสีนิกายนี้เสีย พ, พุทธพุทธพจน์อื่นๆมี5้าอย่างคือมีพจน์เก้าอย่างด้วยอํานาจแห่งการนับเนะี่ยที่บอกว่า สุดตเคยย่าวยาการนาคาถาอุทานอิทิวุตกาชาดกอภูตรธรรมเวทะลาเนี่ยในพุทธพจน์มีองค์9้านั้นว่าอุพโตวิพังนิเทศขันตกะปริวานมงโกลสาสูตรรัตนสูตรนารกาสูตรตุวตกาสูตรในสุดตนิบาศและคําสอนของพระตถาคตที่มีชื่อสูตรแม้อื่นพึงทราบว่าเป็นสุดตะอย่างรัตนสูตรเนี่ยที่เราเคยฟังไปแล้วเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงที่เวสาลีเนี่ อันนั้นเป็นพระสูตรที่แสดงก็บอกว่าถ้าเกิดภัยต่างๆเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเนี่ยเขาจักนิยมสวดสูตรพระสูตรนี้กันเป็นต้นแบบนี้และพุทธพจน์อื่นๆแหละก็มีวยาการณะธรรมบทเถรค า, าถาเถรีคาถาและคาถาล้วนที่ไม่มีชื่อสูตรในสุตตนิบาตแล้วก็ในพระสูตรอีก82สูตรที่ประกอบไปด้วยคาถาสําเร็จด้วยยานเกิดร่วมด้วยโสมนัสอันนั้นเขาเรียกว่าอุทาน เป็นต้นแล้วก็มีชาดกอีก550เรื่องอั น, นั้นเรียกเป็นชาดกฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายอย่างนีนะ้ที่บอกว่าอภูรธรรมพระสูตรที่ถูกถามโดยได้ ย, ด ย, ยานโดยปีติแม้ทั้งหมดคือจูยจุลเวทะ ล, ล่สูตรมหาเวทะ ล, ลสทสท่สูตรสัมมาทิฏฐิสูตรนี่เราได้เรียนไปแล้วสักกะปัญหาสูตรก็เคยฟังไปแล้วสังขารภาชนียสูตรมหาปุณณะสูตรเป็นต้น พึงทราบวเวทันละพุทธพจ์มีองค้าวด้วยอำ น, นาจแห่งองค์นับอย่างนี้ก็หมายความว่าสุดตาคือยะเวยะคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยนับเป็นหนึ่งนับเป็นสองนับเป็น1ก็เป็นในลักษณะว่าคําสอนของพุทธเจ้านั้นมีรถเดียวคือวิมุติรถเนับเป็น2คือว่าพระธรรมและวินัยนับเป็นสก็คือปิดกสามพระวินยัยยาปีดกพระสุดตันจะปิดกพระอภิธรรมจะปีดกนับเป็น5 ก, ก็คือ ทีขนะนิกายมาชิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตะไรนิกายขูทักานิกายไมยนีองค์หถ้านับเป็นเก้าก็คือสุตตะเคยยะอวยยาการนาคาถาอุทานเป็นต้นเหล่านี้นับเป็นเก้าทีนี้ทั้งที่แล้วที่ได้บอกว่าทำเราใดที่ขึ้นท่านพระนมบอกว่าพุทธพจน์มีทั้งหมดแปดหมื่นี่พันพระธรรมขันธนะ์เนี่ยนับอย่างไรนับอย่างไร <c oughs> จริงอยู่พระพุทธพจน์ทั้งหมดมีแปด บอกว่า 84%, ดหมพันประเภทด้วยอำนาจแห่งธรรมขันที่ท่านพระ น, นนแสดงไว้แล้วนี้ทําเหล่าใดที่ขึ้นปา่าขึ้นใจเกศพระเจ้าเข้าพระเจ้าเรียนธรรมนั้นจากพระพุทธเจ้าก็ ค, าคือว่าท่านพระ น, นนเนีเ่ยร เ, 8, 000, 000, ร เ, เรียนจากพุทธเจ้า82ดหมพันพระธรรมขันเรียนจากภิกษุอีกสองพันพระธรรมขันรวมเป็น 84% ดหมพันพระธรรมขันคําว่าเรียนจากภิกษุสองพันพระธรรมขันนี่ท่านพระ น, นนเรียนอย่างท่านพระสารีบุตรโดยส่วนมาก ฉะนั้นในธรรมขันธ์แปดหมพันพระธรรมะขันธ์นั้นพระสูตรที่มีหัวข้อเรื่องเดียวนับเป็นหนึ่งธรรมะขันธ์ถ้ามีหัวข้อเรื่องเดียวเนี่ยพระสูตรใดมีหัวข้อหลายเรื่องรวมกันในพระสูตรนั้นนับธรรมขันธ์ตามจำนวนหัวข้อเรื่องอันนี้วิธีนับนะ น, นั้นส่วนรายละเอียดตรงนี้ส่วนรายละเอียดตรงเนี้ก็ ก, ก็จะจ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะแสดงคร่าวๆส่วนในพระวิธรรมท่านแจก네เป็นติกาและทุกกาแต่ละอย่างแล้วก็จําแนกจิตตวารละแต่ละอย่างนับเป็นธรรมะขันธ์หนึ่ง ในพระวินัยก็มีวัตถุมีมาติกามีบทภาชนีมีอันตราบัติมีอาบัตรมีอนาบัตรมีติกกาเชทะการกําหนดอาบัตรสส่วนในวัตถุเล่นในมาติกาเป็นต้นเป็นส่วนหนึ่งเพทราบว่าเป็นธรรมะขันธ์หนึ่งฉะนั้นพุทธพจน์8ป0หมี่พันธรรมะขันธ์เดิมนั่นธรรมะขันธ์นับอย่างนี้แลท่านว่างั้นทีนี้พระพุทธพจน์เนี่ยว่าโดยไม่แยกประเภทมี1รถก็คือมี1ก็คือรถโดยแยกประเภทมี2เป็นต้น โดยธรรมขันมีหนึ่งเป็นวินัยหนึ่งเป็นต้นอันคณะผู้เชี่ยวชาญมีท่านพระมหากัะสัเป็นประมุขเมื่อจะทำสังขยาณาก็ได้กำหนดประเภทนี้ไว้ก่อนจึงสังขยนาวันนี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นปฐมพุทธพจน์นี้เป็นมัชฌิมพุทธพจน์นี้เป็นปัจฉิมพุทธพจนี้เป็นวินัยเยปิดกนี้เป็นพระสุตตันตปิดกนี้เป็นอภิธรรมอภิดก นี่เป็นทีคณิกายนี้เป็นมัชฌิมนิกายนี้เป็นสังยุตตานิกายนี้เป็นอังคุตรนิกายนี้เป็นขุทธกานิกายนี้เป็นองค้ามีสุตตะเคยย่เป็นต้นเนี่ยนี้เป็นธรรมขันแปดหมื่นสี่ธรรมขธรรมขัโดยประการนี้ท่านก็แยกแยกกันในลักษณะอย่างเนี้นะแต่ตรงเนี้ยค่อนข้างที่ก็เป็นหลักวิชาการเป็นนิดหนึ่งก็คือว่าโดยคําสอนของพพุทธเจ้าก็คือนับหนึ่งได้นับสองได้นับสามได้นับห้าได้ นับก้าได้นับเป็นธรมาารมกขันก็ 84%00 มพระธรมาารมกขันกันใช่ไหมการนับคําสอนนับแล้วก็เงี้ยทีนี้การกําหนดประเภทการสังคานาเนี่ยนะแต่ท่านกําหนดประเภทแห่งสังคายนาไม่อื่นทีนี้ว่าในอวสานแห่งการสังคานาพุทธพจน์นั้นแผ่นดินก็ไหวสั่งสะเทือนเลื่อนลั่นเป็นอนเนกประการทั่วไปจนถึงน้ํารองแผ่นดินเป็นประหนึ่งว่าเกิดความปราโมท ด, ด้วยสาธุกการก็บอกว่าตอนที่ทําสังคายนากันจบเบ็ดเสร็จนี่นะ พื้นแผ่นดินก็หวันไหวเขาเรียกแผ่นดินไหวอะยันน้ำลองแผ่นดินเหมือนว่าแผ่นดินจะอนุโมทนาอย่างนั้นนะนีอันนี้เกิดขึ้นด้วยด้วยด้วยอำนาจแห่งลธิ์ต่างๆเป็นต้นแล้วเนี่ยนะทีนี้พระมหากัะสปาเทละาได้ทำให้ได้ทาให้สามารถมีอายุยืนไปได้ตลอดกาลนานออประมาณ 5,000 ันปีก็หมายความว่าด้วยการทำาัตมสังคยานานนั่นแหละ เป็นการย่างลากพระศาสนาเพื่อให้พระศาสนานั้นมีอายุยืน 5,000 ันปีปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีใช่ไหมถ้าไม่มีการทำสังคยญนาครั้งนั้นนะคำสอนนี่หายอันตรธานหมดแล้วถ้าคำสอนอันตรธานหมดยกพวกเราก็หมดเสร็จที่จะฟังว่ารมกันผู้ที่มีอุปการะคุณมากๆหนึ่งคือท่านพระมหากสปะซึ่งเป็นปมุกและก็พระเถระนุเถระห0ร้อรูปที่ท่านทาปฐมสังกญนากัน และได้ปรากฏเป็นอัศจรรย์ทั้งหลายมิใช่น้อยด้วยประการชนิดฉะนั้นสังขยดาใดในโลกเรียกกันว่าปัญจสตาปัญจสตาเนะี่ยเขแปลว่าอะไรปัญจนแปลว่าหสตากนะ็าคือจํานวน500รตัญจสตาเพราะพระอรหันห้าร้อยองค์ได้ทําไว้เขาเรียกกันว่าเทริกาเพราะพระสองอ์ชั้นพระเทรันั้นกระทากันไว้สังขยนาณนี้ชื่อว่าปฐมสังขยนาณด้วยประการชนี้ ดังการทําปฐมสังขยาการเนี่ยท่านทำกันที่ดังที่ได้กล่าวที่ทำสัตบัญญัตคูหาเป็นต้นเนี่ยเมื่อปฐมสังขยนานี้กําลังดําเนินอยู่เวลาสังขยาวินัยจบลงท่านพระมหาคสปะก็ถามพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรแรกที่เรากําลังศึกษากันเนี่ยเป็นสูตรแรกของนิกายแรกในสภาสุตตันตปิฎกได้กล่าวคําอย่างนี้ว่าท่านพระอนุนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพรหมชารสูตรที่ไหนดังนี้เป็นต้นไปจนถึงจบ ท่านพระนนเมื่อจะประกาศสถานที่ที่พระผู้มีภาคเจ้าตรัสพรหมชาลสูตรและบุคคลที่มินองค์ประกรอบตรัสปารบให้เป็นเหตุนั้นได้ครบกระแสะความจริงกล่าวว่าเออครบครบทวนเก่าเก่าเอวเมสูตังเร่องนี้เป็นต้นเนี่ยที่จริงการสวดในท่านสวดเป็นภาษาบาลีกันใช่ไหมท่านทําเป็นภาษาบาลีกันท่านก็จะสวดว่าเป็นภาษาบาลีที่บอกว่าในในพรหมชารสูตรเนี่ยโดยมากในปัจจุบันเนี้ย เวลามีงานศพเนี่ยเขาจะเอาเอาเอาเอ า, เอาย่อๆของสูตรนี้ไปสวดกันที่สวดบอกเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะกวานี่เขาจะไปสวดเป็นภาษาบาลีแบบย่อๆกันตรงนี้เอวังเมสุตังเอกังสมยังภะกวาอันตรราชราชกหังอันตรราชนารันทังอาถานมัคคปฏิปันโนโหติมหาตาภิกขุสังเขนัสสติปันจมาเตหิภิกขุสเตหิสุปิโย ปีโคปริภาชโคอันตรราเจราชกหังอันตราจาราาน า, จ า, าลันทังเป็นต้นอตอนเนี้ในบทเนี้พวกเราเคยไปฟังกันแทบจะทั้งนั้นแต่จําไม่ได้กันนั่นึองเวลางานศพที่เขาบอกว่าสวดแจงเนี่ยก็ไปสวดบทนี้กันใช่ไหมสวดบทนี้ก็คือเป็นการสวดบทเริ่มต้นโดยมากพอพระสวดโยมไปฟังก็ไม่รู้เรื่องกันมาใช่ไหมชั่วงอายุเราเนี่ยฟังพ ร, พระสวดแจงกันมาเยอะแยะหมดแต่ไม่เคยรู้เลยว่าพระท่านสวดอะไร ถ้าไปก็ะซิบถามผู้สวดบางทีผู้สวดไม่รู้ใช่ไหมเคยบวชกันมาเนี่ยก็เคยสวดแต่ก็ถามมันรู้ไหมก็สวดอะไรไม่รู้สวดแจ้งว่างั้นนะสวดแจ้งเลยไปคิดว่าสวดงานศพแจ้งมาจากําว่าแจกแจงพระธรรมวินัยแจกแจงพระวินัยแจกแจงพระสูตรแจกแจงพระพิธรรมคือท่านสวดพระพระวินัยก่อนพอสวดพระวินัยเสร็จท่านก็มาสวดพระสูตรพอสวดพระสูตรเสร็จแล้วก็ไปสวดพระพิธรรมไหมที่ก็สวดมรดิกากันนั่นเองเขาจะสวดสามส่วน พระสวรพระวินัยนั้นจริงๆท่านสังคายนาพระวินัยเวลาพระไปเทศก็ไม่บอกโยมเขาขไปเทศเรื่องอะไรร่อมีอุปการะมีบุญคุณท่านผู้นี้ตายไปแล้วทำความดีอะไรมากๆก็สรรเสริญกันไปตรงนั้นที่จริงแจกถ้าแจงเนี่ยหมายความว่าหนึ่งเอาวินัยยาพิโดกมาแจงไหมว่ามูลเหตุเป็นมายังไงวินัยแต่และเรื่องก็ว่าไปพระสตรก็เริ่มตั้งแต่พมชาลาสวดเป็นต้นเงี้ย ส่วนพระวิธรรมก็ว่าตั้งแต่ติกามาติกาทุกกามาติกาก็ว่ากันไปทีนี้โยมพระเ อ, อ๋ยโยมเ อ, อ๋ยก็สวดกันมานี่เป็นประเพณีเลยทียเนี้ยเขาเรียกไปสวดแจงว่างั้นแท้ที่จริงก็คือว่าเมื่อเมื่อสังเขณาพระวินัยจบแล้วเนี่ย <c oughs> ท่านพระมหากสศก็ถามพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรแรกเนี่ยที่เอวัเมสุตังถามถามณิกิธรรมท่านพระนนท์ก็ท่านพระนนทก็บอกเอวังเมสุตังเอกังสมยังเป็นต้นพระนนก็กล่าวเที่ยมั้ยทีนี้ ท่านก็มาขยายเชื่อไหมถ้าเราจะเรียนแต่ละศัพท์เนี่ยยุ่งมากเพราะศับสับเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องยกตัวยอย่างเช่นนะจะ ย, ยกยถ้ายกยทั้งหมดนี่สงสัยจะเรียนกันเป็นเดือนเอวังเนี่ยเอวังศับหนึ่งเมศับหนึ่งอเงี้ยเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยเอวังสัเนี้ท่านแจกได้หลายความหมายคําว่าเอวังเนี่ยได้มากเราไปใช้กันได้อย่างเดียวเอวังเนี่ยแปลว่าความเปรียบเทียบกันแห ความแนะนําก็ได้ความยกย่องก็ได้ความติเตียนก็ได้ความรักรับคําก็ได้ความชี้แจงและห้ามผู้อื่นก็ได้ฉะนั้นเอวังเนี่ยมีอย่างเช่นคําว่าเปรียบเทียบนะยกตัวอย่างเช่นเอวังชาเตนะมัาเจนะกัตตพังกุสลังพาหงุงสัตว์เกิดมาแล้วควรบําเพ็ญกุศลให้มากฉะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกเปรียบเทียบเช่นเออสัตว์เกิดมาแล้วนี่นะ พุทธเจ้าตรัสในสูตรต่างๆนี่นะบอกว่าสัตว์เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยควรบําเพ็ญกุศลควรบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลแล้วภาวนากุศลนีอย่างเงี้ยรักหน่องนี้เขาเรียกเปรียบเทียบมาจากคำว่าเอวังสับเหมือนกันแต่เอวังชาเตนะมัจเจนะกัตพังนั้นสั์หนึ่งแต่ที่มาโดยคาว่าแนะนําก็ได้คือคำว่าเอวังเนี่ยแปลว่าแนะนําก็ได้เช่นเอวังเตอภิกษุมติตัพังเอวังปฏิกกามติตัพังเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้อนี้เป็นคําแนะนำใช่ไหม เธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้นี่เป็นการคาแนะนาคำว่าเอวังเนะี่ยเป็นแนะนำก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งมีความหมายว่ายกย่องก็ได้เอวังนะเนี่ยแปลว่ายกย่องก็ได้ไม่สับเดียวนึงแปลได้หนึ่งเยอะแยะยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เอวเมภักวาเอวเมตังสุขตะข้อนั้นเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนั้นเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัส ตรัสนะบอกว่าบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นไม่เที่ยงภาษาวกฟังแล้วก็โอเป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นคํายกย่องว่าเ อ, อพระพู้ทธพระเจ้าจตรัสได้ถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งแปลว่าติเตียนก็ได้เช่นคําว่าเอวเมวังปนายังวัสรียาสมิงวาตสมิงวาตะสะมุนทกกัสสะสมนกกัสสวนันนางภาสติ ก็หญิงถอยคนนี้กล่าวสรรเสริญสมณะล้ น, อ ย, นอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนทุกแห่งไ <c oughs> อมีคาติเตียนก็มีนะมีบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นพรามณ์เนี่ยที่เป็นเดรัจฉีที่มีภรรยาเป็นอุบาสิกาในพระวุทธศาสนาก็ตําหนิภรรยาของตนเองว่าหญิงถอยเนี่ยกล่าวสรรเสริญสมณะล้นสมณะศีรษะล้นทุกคําทุกบทไปคือจะล้มก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าใช่ไหม ตกใจอะไรนิดหน่อยก็กล่าวสารเสริญพระพุทธเจ้ากล่าวนอบน้อมพระพุทธเจ้าเนี่ยคือติเตียนภรรยาต่นเด่นว่าหญิงถอยอย่างเงี้ยเป็นคําติเตียนก็มีคําว่าเอวังเหมือนกันนั้นเอวังนั้นมีความหมายค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นยกย่องติเตียนรับคำเงิได้อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเอวังกันเตติโคเตพีขูภาควาโตปัจจัสมุขสูงภาควาเอตตะทวบินกว่าไพิกษุวเหล่านั้นทูลรับ พระดำรัสของพระพูดว่าเจ้าอย่างนั้นพระเจ้าข้าอย่างเงี้ยเอวังตรงนี้เดินมากเรามาใช้กันเอวังก็มีด้วยประการและชนิดไอเอวังก็มีด้วยประการชนชนี้ที่เรามาพูดกัน Body. นั่นคือเป็นคํารับเป็นภิกษุรับทุลรับดํำรัสของผู้ว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าคือเป็นคําทุนรับนั่นเองอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ก็คือว่าเอวังศัพท์นี้นั้นในพระบาลีนี้ <Santo> พึ่งเห็นได้ในอกักอาการละคำชี้แจงการห้ามบุคคลอื่น หมายความบอกว่าเอวังสัพท์ซึ่งมีอาการเป็นอักท่านพรา น, นนแสดงเนื้อความนี้ว่าดํารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นละเอียดโดยในต่างๆตั้งขึ้นโดยอัธยาศัยนี้ตรงนี้ด้วยความหมายตรงเนี้นะทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าเออท่านพ่านนบอกเอวังเมสุตังเนี่ยท่านพรานนทบอกว่าพระดํารัดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันละเอียดละเอียดโดยในต่างๆตั้งขึ้นโดยอัธยาศัยมิใช่น้อย ก็หมายความว่าเวลาพระพุทธเจ้าจะกล่าวพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นบริบูรณ์ด้วยอัดแล้พยัญชนะมีปฏิหารต่างๆหนึ่งลึกซึ้งโดยธรรมสองลึกซึ้งโดยอัดสาลึกซึ้งโดยเทศนา4ลึกทึ้งซึ่งโดยปฏิเวทลึกซึ้งยังไงบอกว่าอัดทะคือความหมายก็ลึกผลก็ลึกนะธรรมะคือเหตุเนี่ยแสดงเหตุก็ลึกเทศนาวัวหารที่แสดงนั้นก็เป็นตามในญาติ ต, าต่างๆเป็นไปนตามจริตอัธยาศัยของบุคคลของสัตว์โลก เช่นว่าบุคคลที่มีโลภะเป็นอัธยาศัยมีโทสะเป็นอัธยาศัยมีโมหะเป็นอัธยาศัยหรือบุคคลที่มีความไม่โลภไม่โกรธมีปัญญามีวิเวกอัธยาศัยเป็นต้นเหล่าเนี้พพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมเทศานานั้นเป็นไปตามจริตอัธยาศัยของบุคคลนั้นสมบูรณ์ด้วยอัฏฐและพยัญชนะมีปฏิหารต่างๆลึกซึ้งมากแล้วก็ปฏิเวทานั้นก็คือลึกซึ้งโดยการแทงตลอดสัจจะได้ มาสู่คลองโสตประสาทของเหล่าสาธุชนของบุคคลต่างๆก็กลายเป็นภาษาของตนเองยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้ากล่าวนี่นะกล่าวคําสอนเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเนี่ยคนฟังหนึ่งพันภาษามานั่งรวมกันอยู่เวลาเข้าสู่คลองของโสตประสาทของสัตว์นั้ น, นก็แปลเป็นภาษาของตนเองเลยนั่นคือพระพุทธเจ้าซึ่งซึ่งไม่ต้องอาศัยเครื่องแปลวันก่อนเคยไปไปชม ในนานาชาติเนี่ยพุทธนานาชาติเนี่ยพุทธโลกเนี่ยเขามาพูดเป็นภาษาจีนบ้างใช่ไเป็นภาษาเกาหลีบ้างเป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างเป็นภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยพาไปโอ้โหฟังกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้หูฟังอะเขามาฟังแล้วก็หมุนไปตามภาษาันเองถึงจะรู้เรื่องก็มีคนคอยแปลให้ซึ่งไม่ได้อัดทรอดเลยถ้าเราพอจะรู้ภาษายกยกตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยนะเราพอจะรู้บางศัพท์ บ, บางประการเนี่ย กับคนที่เขาแปลเวลาท่านกล่าวธรรมะออกมาเนี่ยจะคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยด้วยเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าถึงภาษาฉะนั้นการไม่เข้าถึงภาษาเนี่ยมันมันมันไม่ได้อัธรสดอย่างแท้จริงถ้าเราไปฟังไทยกล่าวคําสอนแล้วมีคนคอยแปลฟังเนี่ยโอเคยหลายครั้งนะเคยกล่าวคําสอนให้กับฝรั่งฟังแล้วก็มีโยมบางคนมาแปลเนี่ยเราฟังก็หืมไม่ใช่อ่ะคือแปลเนี่ย แปลได้จริงใั่ไหมถ้าเป็นภาษาธรรมดาแต่พอภาษาธรรมะขึ้นมาเนี่ยแปลไม่ได้แล้วมันสื่อกันยากมากเจะมีความค่อนข้างอึดอัดมากนั่งมองตากันเนี่ยคุยกันไม่ได้สมัยก่อนเคยไปที่อินเดียครั้งหนึ่งเคขาไปพักกับคนต่างชาติเนี่ยไปที่ไหนก็พักกันอย่างนี้ตลอดพักอยู่ได้กันเนี่ยอึดอัดมากมันคุยกันได้แต่เรื่องธรรมดาใช่ไหมพอจะพอจะขยืบไปคุยคําสอนคุยกันไม่ได้แล้ว พูดกันได้แต่เรื่องอันนี้กินน้ําไม่กินข้าวไหมนอนนี่ยังแล้วก็ได้เล็กๆน้อยๆพ อ, พองูปลาๆอย่างเงี้ยแต่พอจะขึ้นสู่คําสอนนี่ไม่ได้กันแล้วนั่งมองตากันแล้วก็สวดบาลีกันฟังไปก็แค่นั้นนะทีนี้พอจะสนทนาภาษาบาลีก็หน่อยโอ้โหไม่ได้เราก็ไม่ถึงอีกเพราะภาษาบาบลีนั้นเราเคยแต่เรียนแปลนิดๆหน่อยแต่จะเรียนไปถึงประโยคการสนทนาไม่ถึงซะอีกแล้ว ่เขาก็หนักใจกับเราที่เขาหนักใจกับเราทําไมเราไม่รู้เลยใช่ไหมหนึ่งภาษาบาลีเราเราก็ไม่ได้ลึกซึ้งสองภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ประการต่อมาคือภาษาภาษาอินเดียภาษาฮินดีแล้วก็ไม่รู้จบเลยตอนี้ไม่อยากจะพักก็เราแม่ทีอยู่ห่างๆกันกันอ้างเยดีมันยังไงทาหารใครจะสวดมนก็สวดมนใครจะทําอะไรก็ทําเนี่ยมันมันสื่อไม่ได้แต่ ถ้าพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาซึ่งมากันต่างบ้านต่างเมืองในชมพูทวีปเนี่ยนะแม้แต่เทวดาพรมต่างๆหรือยักษ์คนทันทั้งหลายที่มาฟังธรรมจากาพุทธเจ้าเนี่ยเ <s> ขาบอกว่ามาสู่ครองของโสตรประสาทก็สมควรแก่ภาษาของตนของตนของสัตว์โลกทั้งปวงใครเล่าที่จะสามารถเข้าใจโดยประการทั้งปวงท่านพานนท์บอกว่าใครเล่าจะเข้าใจาพุทธเจ้าได้เขาเอวาม สุ ต, งตังเวนโตแล้วเนี่ยถึงบอกว่าถ้าข้าพเจ้าจําคําสอนของผู้เจ้าได้ไม่ได้แต่ก็ได้โดยฐานะของสาวกเ น, นีที่ข้าพเจ้าบําเพ็ญบรารมีมาแสนกับแค่นี้นี่ความสามารถของข้าพเจ้าที่จํามาได้แค่นี้ยใครเล่าจักสามารถรู้อัธยาศัยของผท้เจ้าที่สร้างบรารมีมาเสยสงขยยิ่งด้วยแสนกับนั่นที่ค่ะความสามารถของข้าพเจ้าที่จํำมาได้แค่เนี้ยคือจําได้เป๊ะๆเลยแหล ะ, ะแต่ว่า จะเข้าไปรู้ลึกถึงอัธยาศัยของพระองค์ซึ่ง ม, มากมายเหลือเกินตั้งขึ้นโดยอัธยาศัายไม่ใช่น้อยที่บริบูรณ์ด้วยอัฏฐและพระยัญชนะมีปาอธิหานต่างๆลึกซึ่งโดยอัดลึกซึ่งโดยทำลึกซึ่งโดยเทศนารึกซึ่งโดยปฏิเวทมาสู่คลองของโสตาประสาทของสาธุชนแล้วก็กลายเป็นภาษาของตนเองอของศาสตร์โลวกทั้งบวงใครเล่าที่จะสามารถเข้าใจโดยประการทั้งวงได้บอกว่าเารามีอาจขนาดนั้นน่ย ท่นานพระนออกตัวเลยนะเวลาจะกล่าวว่าเ อ, อานนิดพระนวท่านจํามาอย่างไงอย่างไงท่างออกตัวเองว่าออจำได้อย่างเนี้ยมีความสามารถของสาวกในสาวกบา ร, รมีเนี่ยที่ตนเองได้ในฐานะบําเพ็ญบา ร, รมีมาแสนกับเนี่ยที่เป็นพุทธอุปถากตามพุทธเจ้าประดุดังเงาจำตามตัวมาเนี่ยจําจากพุทธเจ้าโดยตรงเลย8ปดหมพันพระธรรมขันธ์จำจากภิกษุอื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็น8ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์จำได้หมดจริง แต่ที่จะให้รู้ละเอียดลึกซึ้งโดยตามเท่ากับอัธยาศัยอย่างพระพุทธเจ้านั้นมีอาจจะทําได้ที่บอกว่าทั้งหมดเกิดด้วยความประสงค์ที่จะสดับแต่ข้าพเจ้าแม้ใช้เลี่ยวแรงทั้งหมดให้เกิดความประสงค์ที่จะสดับก็สดับมาอย่างนี้เอย่าเลี่ยวแรงของท่านพระนนทําไม่ได้คือแม้ข้าพเจ้าก็สดับมาโดยอาการอย่างหนึ่งเห็นไหมอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ข้าพไปเจ้าก็สดับมานั้นอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่างพวกเราฟังคําสอนเนี่ยใช่ไหมเชื่อไหมอัตยาสายที่เราสั่งสมมาเนี่ยไม่เท่ากันเลยเพราะฟังจบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นอัตฉริยะสายของแต่ละบุคคลหมดเนี่ยเนี่ยความสามารถของข้าวไเจ้าที่ฟังมาเนี่ยถ้าเราถามบอกว่าเออวันนี้มาฟังทำเนี่ยสามารถจําได้มากขนาดไหนก็จะไม่เท่ากันแหละและเมื่อไม่เข้ากันเนี่ยความเข้าใจความเข้าใจที่ไปก็ไม่เท่ากันเห็นไหมบารมีที่สั่งสมมาในอดีตไม่เท่ากัน คำว่าในอดีตนั้นทั้งในอดีตปัจจุบันเราพบและอดีตในใ น, ในพบที่แล้วด้วยนะอดีตตั้งแต่สั่งสมมาตั้งแต่เกิดย้นปัจจุบันนี้ด้วยทั้งอดีตหลังจากเกิดหลังจากพบนี้ไปด้วยที่เคยสั่งสมมาหลายแสนกับเลยที่พวกเราสั่งสมกันมานั้นอัตยาสายการฟังของพวกเราแปลเปลี่ยนเป็นเป็นความเข้าใจของเรามันก็คนละอยา่าง ด้วยคําว่าเอวางสับเนี่ยซึ่งมีนิทัศนาเป็นอัดท่านพระนนเมื่อจะเปลื้องตนว่าข้าพเจ้าไม่ใช่สยามภูนะเนคือท่านพระนนจํามาได้ขนาดนี้แต่ท่านพระนนไม่ใช่สยามภูไม่ใหญ่ภูรู้เองนะว่างั้นนะเม่ใชญ่ผู้ตัสรู้เองแปลว่าหนึ่งข้าพเจ้าเนี่ยไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะสองข้าพเจ้าไม่ใช่ปัจเจกพุทธะสาข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่สา ว, วกสาวพุทธะเท่า น, นั้นเอง และสาวุตวกาพุทธะก็ไม่ใช่อักขาสาวกด้วยนะเป็นแค่ผ่านนพุท ธ, ธอุบถากที่บำเพ็ญบารมีมาแสนกับไม่เท่ากับท่านพระสารีบุตรด้วยนะท่านพระสารีบุตรนี่บำเพ็ญมาบารมีมานหนึ่งอสงไขยนะแต่ถ้าพระปเจพเจ้าสองใช่ไหมพระเจ้าสี่เป็นต้นเงี้ยนั้นท่านต้องการจะเปลี่องตนว่าข้าพเจ้าไม่ใช่สยามพูพระสูตรนี้ข้าพเจ้าได้กระทำมาให้แจ้งซึ่ง ยิงแสดงพระสูตรนี้ทั้งสิ้นดังที่ได้กล่าวว่าเอวเมสุตังเข้าไเจ้าเองก็ได้ยินมาอย่างนี้มีการเปลื้องตนเองถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าโอ้โหพระเจ้าแสดงมาพระเจ้าแสดงมาด้วยวัตถุประสงค์อัธยาศัยเท่าไรท่านพระนนทเข้าใจหมดเลยทะลุปุกหลงเลยไม่ใช่เอวังซึ่งมีอวธ า, ารณะเป็นอัดท่านพระนนทเมื่อจะแสดงพลังด้านความทรงจําต่อไปนี่นะ ทีนี้เมื่อแสดงเปลื้องตอนเองว่าตนเองไม่ใช่พุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านพระนนสแสดงความมั่นใหญ่ของตอนเองให้ให้กับภิกษุห้าร้อยลูปเป็นต้นแล้วก็ให้เราที่ศึกษาได้ได้ทราบว่าท่านพระนรนนั้นท่านมีมีคุณธรรมและมีดียังไงในตนเองเนี่ยนะท่านพระนนสแสดงเลยบอกว่า <c oughs> เพื่อต้องการจะแสดงด้านความทรงจําของตอนอันควรแก่ภาวะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สรรเสริญไว้ตอนนี้ท่านพระนรนก็ยกย่องบอกว่า คล้ายๆว่าบอกตนเองให้ทราบว่าข้าพเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสารเสินอาสารเสินยังไงสารเสินบอกว่าท่านพระนรนก็บอกเลยเอาพุทธพจน์มากล่าวเลยพระพุทธเจ้าเคยกล่าวยกย่องข้าพเจ้าไว้ว่ายินทะนองอย่างนี้นะบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานนท์นี้เป็นเลิศกว่าฟิกสูตทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราเอาเป็นเลิศทั้งไหนหนึ่งเป็นพระหูสูตรสุตตาทโลนี่เนี่ยพระหูสุตตานี่ปพระหูนี่มากสุตตาคือฟัง ฟังมากนี่คำว่าฟังมากเนี่ยต้องเข้าใจเนี่ยถ้าฟังมากลืมมากไม่เรียกว่าว่าหูสุดแต่ท่านพาน น, นเนี่ยฟังคาไหนจำคำนั้นได้ทันทีไม่ต้องฟังรอบที่สองนี่คือความพิเศษว่าพานนต่างจากภิกษุอื่นฟังปุ๊บจำทันทีไม่ต้องฟังอีกรอบทีนี้ว่าประการต่อมาคือมีคติคตินนเป็นชื่อของความเพียร มีสติก็สามารถระลึกอะไรได้คล่องแคล่วมากคือท่านพระนรินมีคุณสมบัติเนยมีทิติคือความทรงจําแล้วก็เป็นพุทธอุปถากและที่ท่านทัพธรรมเสนาวดีสาลิบุตรเทระสารเสวนไว้อย่างนี้ว่าท่านพระนรินเป็นผู้ฉลาดในอาจฉลาดในธรรมฉลาดในพยัญชนะฉลาดในรุตติฉลาดในคําเบื้องต้นฉลาดในคําเบื้องปลายดังนี้ย่อมให้เกิดความประสงค์ที่จะสดับแก่สัตว์โลกทั้งหลายโดยการที่ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ และที่ระดับนั้นก็ไม่ขาดไม่เกินทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะคืออย่างนี้เท่านั้นไม่พึงเห็นเป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าท่านพระน์นนเนี่ยเวลาท่านฟังคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านฉลาดมากอัฏฐะท่านก็ฉลาดเนื้อความธรรมะคือเหตุท่านก็ฉลาดและในพยัญชนะนี่ท่านรู้หมดเลยนะท่านมีพยัญชนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ท่านพัฒน์นนนับพยัญชนะได้เลยรู้กับมีกี่ตัว ถ้านับไว้เลยในพระสูตรถ้าเราไปดูโอ้โหตกใจเลยเช่นว่าเรามีใครมาพูดนี่นะยกตัวอย่างเช่นมามากล่าวว่ามาท่องว่าเอวเมสุต e ังเอกังสมยางภะวะสาวะทียังเวรตีสิปตะเนเมกะาเย่ไล่ไปตามดับจนจบสูตรปุ๊บเนี่ยท่านพระนรนบอกทันทีเลยมีกี่คํามีกี่คําคือใช้พยัญชนะกี่ตัวนับให้ปุ๊บเลยเรียบร้อยเลยนี่คือพระานร์และคือฉลาดในคำเบื้องต้นก็หมายความว่า พอพูดคำเบื้องต้นปุ๊บเนี่ยต้องกลางคับพยัญชนะกลางแล้วนับจากคำต้นไปถึงเชื่อมกลางเนี่ยใช่ไหมกี่คำจากกลางไปถึงปลายกี่คำเนี่ยคำเบื้องกลายท่ามกลางนี่นับได้หมดทั้งขึ้นทั้งลงทั้งอนุโลมบอดิโลมนับได้หมดนี่คือห้านนท์นะฉลาดในพยัญชนะนี่ฉลาดมากงั้นพอพูดปุ๊บเนี่ยจะจบอย่างยกตัวอย่างถ้าใครกล่าวสูตรไหนปุ๊บเนี่ยพอเริ่มกล่าว เอวเมสุตังเอกังสมัยยังภักวาสาวัตยังวิหรติอิสิปตนีสมุทรวางอยู่เนี่ยท่านพญา น, น, นุลเลยจะไปจบตรงไหนพอไปกล่าวคําท้ายพอกล่าวคําท้ายเบียเศท่านพญา น, นุนเนี่ยไม่ต้องกล่าวคําข้างหน้าขึ้นมาท่านสามารถไล่ขึ้นมาข้างบนได้หมดเลยคนขนาดนั้ น, นคือพญา น, นุเนี่ยอย่างเราคำเบื้องต้นํากลางคำท้ายขนาดนี้เรายังเชื่อมั่นตัวเองใช่ไหมคุณยงกนิลสังเกตใช่ไหม ขนาดนี้ขนาดนี้เราโอ้โหความคิดคนอื่นลงไม่ใครเชื่อต่ออะไรเราว่างั้นก็ขนาดเนี้ยลองดูนี่นี่คือคือคือบุรุษชนเป็นแบบนี้นะถ้าระดับอย่างพระนรนถามว่าท่านเชื่อมั่นความคิดท่านไหมเชื่อไหมท่านเชื่อแต่ไม่ใช่เชื่อได้มานณทิฏฐิท่านเชื่อแล้วท่านรู้ว่าท่านมีประมาณเท่าเนี้ยท่านท่านเชื่อท่างแต่แต่ยังไม่ขนาดระดับพระนรนเนี่ยตอนที่ท่านเป็นพระโสดาบัตเนี่ย พระมหากสอบเรียกพระนนท์ว่าไงเด็กน้อยจกรูก้จากประมาณอะไรือขนาดผมก็งอกแล้วผลงอกเต็มหัวเลยท่านพระมหาการสอบว่าเด็กจะไปรู้ประมาณอะไรโอ้พูดพูดเหมือนหมดเลยอะ่ะพูดเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีอะไระ ท, ท, ทั้งๆที่ขูทรงจำพระไตรบิฎกได้เป็นเป็นพุทธอุปถากและเป็นพระริยบุคคลชั้นต้นเป็นวสดาบัน แต่ท่านพระหมหาคสสบบอกว่าเด็กน้อยจกักรู้จักประมาณอะไรอย่างนั้นข่าวเหมือนรุนแรงแต่แท้จริงท่านกล่าวเตือนอว่เออยังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่ถ้าระดับท่านพระหมหาคสสบนี้อีกระดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งก็คือฉลาดในนิรุตติถามว่าท่านพัฒ น, น์นนี์ฉลาดในภาษาทุกภาษาเห็นไหมจะภาษาอะไรที่ท่านพัฒน์นนรู้หมดนี่นี่ขนาดนั้นนะ ขนาดหนึ่งภาษาก็รู้พยัญชนะก็รู้อัดก็รู้ทำก็รู้ให้เกิดความประสงค์ที่สดับแก่สัตว์โลกข้างหลายด้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้คือท่านก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้ามีคุณสมบัติอย่างเนี้ยเป็นปหูสูตมีคติมีสติมีทิฏฐิเป็นพุทธอุบากด้วยแล้วท่านภาษาลิบุตรก็เลยเคยสารเสริญข้าพเจ้าไว้ด้วยว่าฉลาดในธรรมฉลาดในอัดฉลาดในพยัญชนะฉลาดในภาษาฉลาดในคําเบื้องต้นและคําเบื้องปลาย เพราะใครกล่าวคําเบื้องปลายคำสอนไว้ปุ๊บเนี่ยรู้เลยมาจากกี่คําไล่ขึ้นข้างบนก็ได้กล่าวคําเบื้องต้นแค่นี้ปุ๊บแล้วให้ท่านว่าน้นต่อท่านต่อได้เลยดีถามว่าในคําสอนทั้งหมดเนี่ยที่เราสามารถต่อได้คืออะไรบ้างมีนะไม่ใช่ไม่มีอิติปิโสพระวาต่อได้ต่อได้จบต่อได้จบใช่ไหมบอกโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ได้ใช่ไหมต่อได้ตรงนี้ทีนี้พอเขาบอกว่า พระควาติให้ย้อนขึ้นไม่ได้เลยเห็นไหมอย่างนี้ไม่ยัดไม่ได้แล้วมันมันย้อนไม่ได้อย่างเราเนี่ยใช่ไหมใช่ถ้าพูดตรงกลางหน่อยโอ้โหถ้าตรงกลางเราลงมาข้างล่างพอได้ถ้าขึ้นข้างบนเริ่มทั้งเหงื่อเหงื่อไหลแล้วเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้อย่างเรานี่ยเขาเรียกว่าอ่าฉลาดในคําเบื้องต้นนี่ยน่าจะทอดได้บ้างใน e TV, อีทิปิสบทเดียวว่างั้นบทอื่นไม่เอาแล้วถ้าไปเอาบทพระหงขน่อยโอ้โหกินไม่ลงแล้ว เห็นหรืยังว่าเพราว่าถ้าอย่างนี้เราจะได้ได้รู้ว่าโอ้โหท่านที่เขาบําเพ็ญบา ร, รมีมาท่านอย่าแปลกใจใช่ไหมก็ขนาดความจําขนาดเนี้ยกว่าจะได้บรรลุจนพระพุทธเจ้าปรินิพพานเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนสอนเออนั่นคําสอนมาประกาศคําสอนมาสี่บห้าปีท่านบ้านนท์ไม่ได้บรรลุเลยคิดแค่นี้ฉะนั้นถ้าเรานี้ยยังจะไม่บรรลุเร็วก็อย่าไปเจ็บปวด ใช่ไหมอย่าไปเจ็บปวดก็ท่านจําขนาดนี้ท่านยังมรรลุโอ้โหปวดจะบรรลุแต่แล้วก็อย่าอย่าไปพอพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็อย่าไปทอ้อบางคนโอ้โหไม่ไหวแล้วขนาดบารมีสร้างมาขนาดนั้นยังจําได้พระไตรพิฎกขนาดนั้นยังไม่ได้บรรลุโหไม่เอาดีกว่าเลิกเลยอีไยอย่างนี้ยิ่งไปใหญ่เลยตอนนี้มองไม่เห็นฝุ่นเลยเข้าใจใช่ไหมนั้นวิธีการตั้งอัธยาศัยท่านเหล่านั้นแต่ก่อนไม่ต่างอะไรจากเราเนี่ย ไม่ตาท่านก็เก็บเกี่ยวมาทีละเล็กละน้อยสั่งสมอัธยาศัยมาทีละนิดละหน่อยแต่เพียงว่าท่านเล่งมากกว่าเราหน่อยเพราะท่านมีความเพียรสประการที่บอกอารัปธาตท่านก็มีนิกรมาธาตุก็มีปาระกรรมาธาตุก็มีอารัปธาคือหนึ่งความเพียรเริ่มต้นท่านมีใช่ไหมท่านคิดในการที่จะเพียรตลอดเนี่ยความคิดตรงนี้ท่านมีประการที่สองก็คือว่าเพียรในการออกจากความเกียจค้านเนี่ยท่านมี คือถ้าหาความเกียดค้านจะครอบงาใจท่านท่านลุกออกจากความเกียดค้านนั่นดีประการที่สามก็คือความเพียรก้าวหน้าเข้าไปหาคุณธรรมเบื้องสูงท่านมีความเพียรสามประการแล้วก็บอกเอ๊ะไอความเพียรสามประการนี่จะมีได้ด้วยอะไรด้วยโยนิโส ม, มนสิการไม่ใช่อุย้ยเราไม่มีละความเพียรยอมเพียรไปเชื่ออยางน้นได้ไหมมีมันอยู่ที่ใส่ใจให้ถูกใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นมไม่เคยคิดจะเพียรเลยเนี้ย วันนี้ขี้เกียจเอาแล้วพอบอกขี้เกียจปุ๊บผมไม่เอาดีกว่านอนดีกว่ามาพอไม่คิดริเริ่มเลยมันไม่มีอลรพธาตพอคิดริเริ่มมาปุ๊บเนี่ยมันจะลุกออกจากความเกียดค้านมันจะเริ่มป่าลบจักศึกษาคําสอนจักฟังคําสอนจักสาธยายคําสอนจักน้อมเข้าให้ทานรักษาศีเนมันถ้าคิดอย่างเงี้ยมันจะลุกออกมาดัถ้ามันคิดอย่างเดียวเนี่ยมันเพียแค่ได้อรารพธาตุนะ แต่ถ้ามันออกจากความเกียจค้านความซึมเศร้าออกจากความเบื่อหนา่ายเป็นต้นได้นี่เขาเรียกว่านิกรรมธาตุถ้าก้าวข้าหาคุณธรรม ส, สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นภารกรรมธาตุนั้นท่านท่านมีความเพียนเหล่านี้ไงลักหน่อที่ว่ามีมีมีคติค ต, ต, ต, ต, ตินั่นคือความเพี้ยนเขาท่านคือคติในแปลว่าที่ไปก็ได้แปลว่าความเพียนก็เป็นเรื่องแปลก ด, ดิท่นานพระนนเป็นคนมีความเพียนมั้ยเพียนขนาดไหนเพราะว่าเดินตรวจรอบกุฏิพระพุทธเจ้านี่ วันละเก้ารอบทุกวันต้องไปตรวจดูความเรียบร้อยดูเลยทำกิจอย่างอื่นอีกเยอะแยะหมดนะท่านบ้านนนนี่ไ ม, ไม่ไม่่ไม่ใช่คนเกียดค้านเลยไม่ใช่คนเกียดค้านเลยอย่างเราสมมติว่าทําที่ปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปเสร็จเอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกวาดวันละรอบนี้ยังยากเราจะไม่จะ ย, ยากเลยยองพิทบอกเจ็ดวันครั้งยังยังยากเลยว่เจ็ดวันครั้งยังยากเลยยังไงทําเสร็จเสร็จส่งให้พระท่านไป เรื่องพระคิดไว้ก่อนแล้วบางคนาวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วเรื่องท่านทําแล้วบุญเราก็ได้แล้วอย่เกี่ยวกันแล้วเห็นไหมความเพียรเนี่ยความคิดไอ้ที่ว่าริเริ่มหมือความเพียรที่ว่าลุกออกจากความเกียดคร้านแล้วก็ก้าวเข้าหากุณธรรมเอวังเอวังศัพท์เนี่ยทีนี้คําว่าเมเนี่ยมีสามสามอย่างเมศัพท์เดียวเนี่ยมีอยู่สามอย่างก็เท่าคําว่ามายาเช่นในประโยคว่า คาทาพีตังเมอโภชนั ย, ยังโภชนะที่ได้มาโดยการขับกล่อมเราไม่ควรบริโภคตรงนี้ออย่างยกตัวอย่างเช่นพระภูมมีภาคเจ้าไปกล่าวไปกล่าวคือไปกล่าวคำสอนเบดเสร็จแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยยกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าตอนที่ว่าเคยแสดงไปแล้วในสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าแสดงเกี่ยวกับในเรื่องว่าเออท่านเราเนี่ยคือท่านเป็นชาวนา พระพุทธเจ้าก็ไปพอไปก็ถือบาทถืออะไรไปจะไปรับอันนี้ไอ้นี่ก็บอกหึ่งเมื่อกี้เราเนี่ยกลัวจะได้ข้าวมากิน <c oughs> ใช่าหมกลัวจะได้มากินเนี่ยเราต้องทำํำเราต้องไถ่เราต้องวานเราต้องทําอะไรเยอะแยะหมดเราต้องปลูกเราต้องเก็บเกี่ยวต้องมานวดต้องมาสีต้องมาอะไรท่านถือบาทรมา <c oughs> ใช่ไหมพระเจ้าก็เลยพูดให้ฟังว่าโอ้ oh ว่าเราจะได้ตัศโลมาเนี่ยเราก็โอ้ไม่ใช่น้อยพระเจ้าก็พูดว่าอะไรเป็นแอกอะไรเป็นไถอะไรเป็นผานอะไรเป็นนาพระเจ้ากล่าวมาได้เป็นเสร็จพรอกล่าวก็ไปเสร็จโอุตส่าห์อย่างไรพระเจ้าไม่รับเพราะได้มาด้วยการขับปล <laughs> อมมาชี้แจงให้ฟังก่อนถ้าจะทําไม้ทําว็นหลังให้ทานองอย่างนเนี้หนึ่งมาจะคำว่ามาจะคําว่านี่คําว่าคาถา พี่ีตังเมอโภโฉเนยยังคือโพชนะที่ได้มาด้วยการขับกล่อมเนี้ยเราไม่บริโภคคือไปเถียงไปกล่าวให้เขาเข้าใจว่าจริงๆจะไปหาพระเจ้าไม่ได้ทํานานะไม่ใช่พระองค์เนี่ยเป็นยอดการทํานาเพราะงั้นนะแล้วกวัวจะได้กว่าจะได้โพธิญานมาเนี่ยโอ้โหทำมาเหนื่อยยากกว่าที่เธอทํานาอีกนี่นอันนี้ถ้าเป็นพระไปบิณฑบาตมีใครว่ากนี่ก็เอาพุทธพจน์ตรงนี้ไปกล่าวเงี้ยนกว่าจะได้บวชมาไม่ใช่ง่าย พูดให้เฟังกันนะส่วนคําว่าอีกคำหนึ่งไงมายคำว่าสาทูเมพันเตมีคํำไหมสาทูเมพันเตพักวาสังกิเตณธรรมมังเทเสตุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้วิภาพเจ้าโปรดแสดงธรรมโดยยอ่อแก่กระยาบุตแก่ข้าพระองค์เถออันนี้ก็ในคำว่าเมย์เหมือนกันเป็นคำขอโอกาสข อ, อกามีเนื้อความเท่ากับมัมมักก็ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทา ย, ยาทของเรา ตรงนี้ในในธรรมท า, าญาติูตรพุทธเจ้าบอกว่าเอออย่าเป็นอมิสทาญาต์นะจงเป็นธรรมทาญาติใช่ไหมถ้าเป็นอมิสทาญาต์ก็คือว่าการบวชเข้ามาเนี่ยวังอามิสหวังศินจ้างรางวันเป็นต้นเนี่ยหวังลาบสกาลาหวังเสียงสรรเสริญเยนยอนเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญตรงนั้นแต่สรรเสริญการเป็นธรรมทาญาติคือทาญาติโดยทัพเม มีสองอย่างมายาข้าพเจ้าได้สดับมาและการสดับของข้าพเจ้าฉะนั้นคำว่าเมตานี้เนี่ยแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาไม่ใช่แปลวความหมายที่กล่าวมานั้นไม่ใช่นะคำว่าเอวังเมในที่นี้ยเมแปลว่าข้าพเจ้าได้สดับมาส่วนคำว่าสุดตังเนี่ยสุดตาสัพท์มีอุปสรรคและไม่มีอุปสรรคนะจำแนกเนื้อความได้หลายอย่างเช่นคำว่าปรากฏก็ได้กำหนัดสั่งสมขวนขวายสัท ธ, ธาลมที่รู้ด้วยโสตและรู้ตามตะวันต่างๆเป็นต้น มีเนื้อความว่าเช่นในประโยคเป็นต้นว่าเสนายาโพสุตโตเสนาเคลื่อนไปการเดินทัพก็เรียกว่าสุตตะสุตตะสับอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้มีธรรมันปรากฏแล้วเนี่ยแปลปรากฏก็ได้นะผู้เห็นอยู่เนี่ยมีธรรมันปรากฏกำหนัดก็ได้เช่นภิกษุณีมีความกำหนัดยินดีการที่ชายผู้มีความกำหนัดมารูปคำจับต้องกายนี่คือภิกษุณีมีจิตพุ้งส่านด้วยราคะยินดีการที่ชายนั้นมาจับแล้วก็เกิดราคะ ถูกต้องเออพิกษุณีในศีลเขาแข็งคัดมากเนยใครบวชเป็นพิกษุณีถ้ามีผู้ชายมาถูกตัวปุ๊บเกิดความกำหนัดยินดีขาดจากพิกษุณีเล่ยมีอยู่ที่นครปฐมมีบวชพิกษุณีอยู่ท่านหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่ออาจารย์อะไรที่มาจากธรรมศาสตร์แล้วก็บวช น, นี่เขาเป็นพิกษุณีดังนั้นผู้ชายไปโดนตัวเขาแล้วเขาเกิดความกำหนัดยินดีไม่ได้เดี๋ยวขาดจากพิกษุณีเลงยุ่งเลยอบัตแรงกว่าชละมาอันนี้คือว่า แปลว่าความกำหนัดได้มาจากคาว่าสุตตะสั่งสมก็ได้บุญเป็นอันมากท่านทั้งหลายได้สั่งสมแล้วเนียย่ยมาจากว่าตุเมมหิปุญญังปะสุต Gotta, ังสุตตะเนี่ยเลยอันนับประการนะบุญเป็นอันมากท่านทั้งหลายสั่งสมแล้วเนี่แปลว่าสั่งสมขวัขวายก็ได้นะปลาทั้งหลายเราได้ขวนขวายในชานมีเนื้อความว่าประกอบหนึ่งเนืองในชานแต่ในพระสูตรนี้สุตตะมีเนื้อความว่าจําหรือทรงจําตามโสตถวานเช่นในวักว่า สัทธารล์ที่รู้ด้วยโสตะเช่นในประโยคว่าทิศถังสุดตังมุตังรู้อารมณ์ที่ที่จักสุเห็นสัทธารล์ที่โสตฟังและอารมณ์ทั้งหลายที่ทราบมีเนื้อความว่าสัทธารล์ที่รู้ด้วยโสตะรู้ตามโสตทวารเช่นในประโยคว่าสุดตัทโรสุตัสันนิจยโยทรงสุดตัสังสมสุดตะยกตัวอย่างเช่นการฟังคําสอนของพระเจ้าในข้าพระเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ในี่ท่านบ้านนนหมายความว่าสัทธารลมคือเสียงของพระผู้มีพระภาค ใช่ไหมคือเสียงของพระผู้มีพรภาคเจ้าเนี่ยัทธารมณ์นั้นเนี่ยเข้ามาสู่ครองคือโสตะทะวานของท่านพระนนท์นั้นนั้นท่านพระนนท์เนี่ยฟังมาโดยตรงเลยไม่ได้ฟังจากคนอื่นบอกทอต่ อ, ต, อต่อกันมานะท่านฟังโดยตรงจากพระเจ้าแล้วเข้าโสตะของข้าพระเจ้าถ้าจะพูดให้ฟังก็คือว่าเนี่ยข้าพระเจ้ามีบุญเยอะใช่ไหม คือไม่ต้องอาศัยล่ามผ่านเลยเข้าพเจ้าได้ฟังโดยตรงทุกประโยคทุกอัตทุกพยัญชนะเลยที่พระเจ้าแสดงนั้นโสตโสตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ดีโสตประสาทของข้าพเจ้าก็ดีมีบุญมากที่ได้มีโอกาสฟังอัทหรสธรรมรสจากพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าโดยตรงนั้นหูทั้งสองข้างของข้าพเจ้านี่ฟังเต็มเต็มเลยว่างั้นเถอะฟังคําสอนของพระเจ้าโดยตรงเลย ไม่เหมือนพวกท่านทั้งหลายในตานองอย่างนั้นนะท่านยังได้ฟังต่อจากข้าพเจ้าบ้างหรือท่านอาจาได้ฟังโดยตรงบ้างแต่ข้าพเจ้าบุญมากกว่าท่านนี้ท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นนะอันนี้พูดเปรียบเทียบให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังด้วยใช่ไหมพวกเราไม่ได้ฟังเลยเห็นไหมต้องอาศัยเนี่ยอาศัยมานั่งศึกษาตามพระไตรปิฎกก็ อ, อาศัยเสียงจา้าบุคคลอื่นอ่านให้ฟังอู้กลัวจะสืบทอดมาสองพันกว่าปีใช่ไหมเนี่ยด้วยกาศที่เราไม่ได้ฟังโดยตรงนะจิงต้องมาค่อยๆแปลทีละคำทีละคํา็เยอะใช่ไหม แต่ก็อ ย, อย่าไปคิดว่ามันยุ่งยากนะคิดว่าโอ้โหนี่กบุญนักหนาแล้วแต่ถ้าเราบุญเราดีนี่นะเราจะไม่ได้มีใครมาแปรสืบทอดมาอย่างเงี้ยไปฟังโดยตรงตอนนี้ที่เราสร้างอัธยาศัยไว้ต้องการอะไรยังไงขอฟังโดยตรงขอนั่งหน้าขอนั่งหน้าแล้วฟังเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ฟังโดยอ้อมไปก่อนแต่ถ้าไม่ไม่ฟังโดยอ้อมฝึกฝนอบรม อธยาศายหรือบุญบารมีอย่างนี้นะโอกาสจะฟังเลยตรงไม่มียกตัวอย่างเช่นสมัยที่พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดสิ้นเป็นอัคคณะขณะที่ไม่ควรบรรลุธรรมไปเกิดเป็นเปรตก็เป็นอัคคณะนะขณะที่ไม่ควรบรรลุธรรมเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกจบเลยเอาเป็นมนุษย์กับเขาเป็นการเป็นคนป่าจบเลยเข้าใจนะเอ้าไม่พใช่คนป่าเราเป็นคนดีๆหลยแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเกลียดพระพุทธเจ้ามาก เลยไหมมันจบเยอะหมดเลยเขาเรียกอักขนาดขณะที่ไม่ควรบรรลุถึงบอกว่าเมื่อมีเนื้อความเมื่อประกอบความมาเข้าพระเจ้าได้สดับหรือจําตามโสตถวารอย่างนี้มีเนื้อความเท่ากับมมะประกอบไว้การสดับของข้าพเจ้าหรือการจําตามโสตถวารของข้าพเจ้าก็บอกว่าท่านจํำมาได้เพราะท่านมีโสตถวารมีโสตประสาทมีโสตวิญญาณมีโสตถวารละวิถีใช่ไหมโสตถวารลวิถีของท่านเป็นไปตามลําดับเลยนะที่ท่านฟังยกตัวอย่างเช่น ทลายตามวิถีก็คือว่าผวังอตีแต่ พ, ว, พ, ว, นะพวังผวังกจรนะผวังคูปเชทา่าปัญจทวารและชนะโสตวิญญาณสัมปติชนะสันติรนะววนาวโธตปนาโวนะตตาเราณา ล, านะลงแล้วก็ลงทางมโนทวารเป็นอตีตักข้านาะวิถีเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลาดับนั้นท่านท่านฟังคำสอนองูเจ้าผ่านาทางโศตทวารลงสู่มโนทวาร จากโสตถวาร ล, ลงสู่มโนทวารลงสู่ใจแล้วท่านกระทรงจําคําสอนของพระผู้มีพระเจ้าด้วยอัธยาศัยการสังสมของท่านฉะนั้นคํานี้คําว่าสุดตะทีนี้คําว่าเอวังเนี่ยแสดงถึงกิจของวิญ ญ, ญาณมีโสตวิญญาณเป็นต้นนั่นเองก็หมายความว่าเออการที่ท่านได้ฟังคําสอนของพุทธเจ้าได้มาได้ดังที่ได้กล่าวเนี่ยท่านมีท่านมีโสตประสาทนะท่านมีโสตวิญญาณ น, นะแล้วก็มีโสตวิญญาณนะวิถีเป็นต้นนี้ลงสู่ทางทวารใจ ทางมโนทวานเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยท่านฟังแล้วหลายล้านหลายแสนหลายโกดรอบอย่างเงี้ยนะฟังความทรงจําของท่านเปลี่ยนไปลักษณะอย่างนี้ประการต่อมาก็คือว่าที่บอกว่าเมื่อบุคคลข้าพเจ้าเพื่อประกอบด้วยโสตวิญญาณได้สดับมาด้วยวัวหารว่าส่วนกิจที่ได้มาด้วยอํานาจแห่งวิญญาณนั่นเองท่านก็กล่าวนะก็ดังที่บอกว่าความสําเร็จเนี่ยนะสติอันมีปัญญานําสามารถห้ามความอื่นพยัญชนะปัญญามีสตินําสามารถแทงตลอดด้วยอัด โดยความสามารถทั้งสอนนั้นย่อมเสฉ็จภาวะที่ท่านพระนนท์ได้นามว่าขุนคลังแห่งพระธรรมเพราะสามารถจะนุลักษ์คลังพระธรรมคําสอนซึ่งสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะคือท่านพระนนท์บอกว่าท่านมีความสําเร็จทางปัญญาด้วยความไม่หลงและย่อมมีความสําเร็จทางสติด้วยความไม่ลืมคือท่านพระนนท์เนี่ยท่านมีสองประการ1สติท่านก็มีสองปัญญาท่านก็มีคนมีสติเนี่ยแปลว่าท่านอะไรท่านไม่ลืมถ้าคนมีปัญญาก็แปลว่าท่านไม่หลง คนขาดสองอย่างนี้ทั้งลืมด้วยหลงด้วยมีสติคือไม่ลืมใช่ไหมถ้ามีปัญญาก็คือไม่หลงเรามีสติไหมลืมบ่อยไหมลืมเยอะนั่นคือสติไม่สมบูรณ์คนมีสติดีๆใช่ไหมเมื่อเช้าเนี่ยกินข้าวกี่คำนี่ก็จําได้หมดคือเคี้ยวไปกี่คำนี่เขาจาได้ขนาดนั้นะคนสติดีๆระดับพระพุทธเจ้าระดับน้องๆลงมาคืออย่างพระอานุ น, นจําได้ขนาดนั้นในกลุ่มบุคคลเลยเนี้ พูดอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรทํากิจอะไรไว้เนี่ยเราลองระลึกดูทีวันหนึ่งโอ้โหเราลืมเยอะหมดเลยลืมเยอะหมดเลยเอาปลูกต้นไม้รอบกี่ต้นเอาแคเนี้ยทำเมื่อวานเนี่ยปลูกให้เอาร อ, อ, อบรอบนอกกอี่ต้นจําไม่ได้ใช่ไหมแต่ได้ปลูกนะปลูกก็เผลอเป๊หลุมนี้ใครปลูกเข้าใจยัง ค, ความจําที่สตินี่นี่นคือสติก็ลืม ขาดปัญญาก็หลงแต่ท่านพานนท์เนี่ยท่านมีสติอันปัญญานําถามว่าคือท่านสําเร็จด้วยกิจสองประการหนึง่งบางทีสติมีปัญญานําสามารถห้ามความอื่นโดยพยัญชนะโดยปัญญามีสตินําสามารถแทงตลอดด้วยอัฏฐาด้วยโดยที่มีความสามารถทั้งสองประการย่อมสําเร็จภาวะที่ท่านว่านนบอกว่าเป็นขุนคลังของวัฏฏธรรมเพราะสามารถที่จะอนุรักษ์วัฏธรรมซึ่งสมบูรณ์ด้วยอัฏฐาและวพยัญชนะคือท่านไม่หลงและไม่ลืมด้วยเพราะสตแะิและปัญญาขท่านดีมาก นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประการต่อมาก็คือท่านพานนนท่านแสดงโยนิโสมนัิการเพราะผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนัิการไม่สามารถจะแทงตลอดโดยประการต่างๆด้วยฉะนั้นคําว่าสุดตังนั้นท่านพาน น, นแสดงความไม่ฟุ้งซ่านเพราะผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านฟังไม่ได้ท่านพานนท่านบอกว่าบุคคลผู้มีจิตฟุง้งซ่านแม้เขาจะพูดด้วยความสมบูรณ์ทุกอย่างก็ยังพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยินบอกว่าขอจงพูดซ้ําที แน่คนมีจิตพุ่งซานจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ท่านพระนนท่านบอกว่าท่านท่านไม่พุ่งเวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่มีเสียงอื่นแทรกแทรกโสตทวารท่านได้เลยถึงเข้ามาท่านก็ไม่ได้มีโยนิโสมาในกาลคือท่านไม่ได้ใส่ใจเสียงอื่นท่านจะใส่ใจแต่เสียงว่าธรรมอยู่เท่านั้นซึ่งทํายากมากถ้าปุถุชนในยุคหลังๆมาเนี่ยทาไม่ได้เลยฟังธรรมอยู่ถ้าอสุนัขเขากัดกันอยู่หมากัดกันอยู่น โอ้โหลำคาญมากอยากจะลุกไปไล่หมาก่อนใช่ไหมแจ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างเสียงแทกแทรกแทร ก, กอย่างเงี้ยแล้วจะให้ฟังทรรมโดยมีสติมั่นคงมีโยนิโสมนสิการใส่ใจในพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องฟังยากมากถึงวางใจได้ยากมากฉะนั้นในคุณสองข้อนี้ท่านพระนรนทำทำอะไรมาอัตตดสัมมาปณิที่และปุเพกตะปุญญาตาได้สาเร็จด้วยโยนิโสมนสิการ เพราะผู้ไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบหรือไม่ได้กระทําความดีไว้ก่อนจกไม่มีโยนิโสมนสิกันนะคำว่าอัตตาสัมมาปณิธีเนี่ยคําว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยอันนั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิในอดีตนะปัญหาคือว่าถ้าท่านพระนรนไม่มีปุเพกรตะปุญญาตาใช่ไหมเออไม่มีอัตตาสัมมาปณิธิในอดีตคือการตั้งจิตไว้ชอบตั้งสัมมาทิฏฐิไว้ในใจให้ดีคือทําบุญในการก่อนนั้นท่านตั้งอัตตาสัมมาปณิธีไว้ไหม ถ้าท่านตั้งใจที่เป็นไปด้วยสมาทิฐิในบางก่อนไว้ดีเนี่ยท่านมาเกิดในถิ่นที่สมควรเป็นต้นได้ครบเพราะพุทธเจ้าเป็นต้นได้ฟังพระสัตธรรมโยนิโสมณัตการของท่านก็เกิดเพราะผู้ตั้งตนไว้ชอบหรือมิได้กระทําความดีไว้ก่อนจักไม่มีโยนิโสมาได้การนั้นท่านปานนเนี่ยทําการฟังพระสัตธรรมและการที่พึงครอบสัตว์บุรุษให้สําเร็จได้ด้วยความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านเพราะผู้มีจิตฟุ้งซ่านไม่สามารถที่จะฟังเพราะผู้ไม่ ไม่พึ่งสัตรุตก็ไม่มีการสะดับฟังก็หมายความว่าหนึ่งจิตฟุ้งซ่านไม่สามารถจะฟังคำสอนรู้เรื่องสองถ้าไม่ได้ครบพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมอีกประการหนึ่งก็คือว่าเพราะข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่าเอวังแสดงไขได้อาการของจิตสันดานซึ่งเป็นตัวรับอัฏและปัญชนะต่างๆด้วยความเป็นไปด้วยอาการต่างกันเพราะและอาการ อันเจริญอย่างนี้นั้นย่อมมีแก่บุคคลผู้ตั้งตนไว้ชอบหรือมิได้ทําความดีไว้ก่อนฉะนั้นด้วยคําว่าเอวังเนี่ยท่านพระนนแสดงบทสมมุติสองประการเบื้องปลายก็ไว้ด้วยคำว่าสุดตังท่านพระนนแสดงสมบัติคือจักทำสองข้อเป็นเบื้องต้นด้วยการประกอบการฟังเพราะผู้ที่อยู่ในถิน่นฐานอันมิใช่เป็นปฏิรูปประเทศก็ดีผู้ที่เว้นจากการะครบสัตว์บูรุษก็ดีย่อมไม่มีการฟังด้วยประการชนนี้ ท่านก็บอกว่าเออเนี่ยการที่ท่านได้มาฟังคําสอนของพุทธเจ้าได้เพราะท่านคบพระพุทธเจ้านีแล้วก็ท่านก็ตั้งใจอยู่ในประเทศที่สมควรได้โคบพระพุทธเจ้าและก็ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วความบริสุทธิ์แห่งอัธยาศัยอันเป็นความสมําเร็จของท่านเลยนะท่านมีอัธยาศัยที่งามอัธยาศัยที่บริสุทธิ์คือความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาแล้วก็วิเวกอัธยาศัยท่านก็น้อมข้อหาวิเวกเป็นต้นเราเนี่ยเ น, นี่ยเนคขมัธยาศัยด้วยนะ น้อมออกจากเนกน้องน้องออกจากกรรมคุณทีนี้ประการต่อมาคือว่าย่อมเป็นอันสําเร็จและความบริสุทธิ์แห่งอัตยาศายนั้นเป็นอันสําเร็จฉลาดในปฏิเวทะในการแทงตลอดสัจจะเป็นต้ น, นเนี่นะแทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมากเป็นพระโสดาบันสกัณฐานาคาและในสุดท่านเป็นพระอรหันต์เพราะความบริสุทธิ์แห่งความเพียรความสําเร็จในฉลาดในปริยัติของท่านที่ท่านฉลาดด้วยประการเชนนี้ถ้อยคําของท่านพระอนุ์ ที่มีความเพียรและอัธยาศัยบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยปริยัติและบริเวษย่อมสมควรที่จะเป็นคําเริ่มแรกแห่งพระําชรัสของผู้มีภาะเจ้าเหมือนความขึ้นไปแห่งอรุณเป็นเบื้องต้นของอาทิตย์ที่กําลังอุทัยขึ้นหรือเหมือนโยนิโสมนัสิการเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมเช่นนั้นตรงนี้ก็หมายความบอกว่าเออเวลาศึกษาคําสอนเนี่ยคนที่มีโยนิโสมนัสิกานเนี่ยก็ก็ได้ประโยชน์ก็เคยเป็นปัจจัยแก่การฟังได้ท่านพระนร น, เ, นเมื่อกล่าวคา อันแสดงโยโนิโสมนัสิการว่าเอวังโดยแสดงว่าทำเหล่านี้เข้าไปเจ้าเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินั้นการเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิคือแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญานั้นคือใช้ใช้โยนิโสมนัสิการนเพ่งใส่ใจบ่อยๆคําสอนเนี่ยน네ะถ้าเราจําคําสอนมาได้ประโยคสองประโยคอะไรต่างๆแล้วก็มาเพ่งการใส่ใจบ่อยๆเอามาไข้ครวนมืออันนี้คือโยนิโสโยนิโสมเทนี้จะเป็นปัจจัยเกิดปัญญา ถ้าฟังผ่านเขาเรียกคนไม่มีโยนิโสผ่านไปผ่านไปฟังได้ยังฟังแล้วเพราะดีก็เพราะดีแล้วพระท่านว่าไงก็จำไม่ค่อยได้นี่ขาดโยนิโสถ้ายนิโสเอามาเพ่งเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยปัญญาเมื่อกล่าวคําแสดงประกอบด้วยการสดับสุดตังย่อมแสดงว่าทำเป็นนันมากข้าพเจ้าได้สดับแล้วทรงจําไว้แล้วคล้องปาก คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้สังเกตดูนะคนที่ศึกษาคําสอนเนี่ยจะมีคำบอกว่าข้าพเจ้าได้สดับแล้วยั ง, ยงเล่าทั้งหลายบอกว่าได้ฟังแล้วมองคนละสูตรฟังนี่ยังฟังแล้วนยรัตนสูตรฟังนี่ยังกฟังแล้ ว, ส, ล ว, ลวสติปฐานสูตรฟังครึ่งหนึ่งไม่จบเงี่ยนะสมมติจำสมมติจำฟังไม่จบก็ฟังแล้วคือได้ฟังจริงๆนะถามว่าทรงจํำนี่ยังโอ้โห น, นี่แค่ขั้นสองนะ ไม่ต้องเอามาเพ่งในใจแล้วบอกว่าทรงจํำยังไม่ค่อยได้แต่ยังดีใช่ไหมยังดีกว่าอะไรดีกว่าคนไม่ได้ฟังไงใช่ไหมทีนี้พอดีกว่าคนไม่ได้ฟังมันเลยอยู่แค่ตรงนั้นไงอยู่ตรงที่เออดีดีก็เองไม่ได้ฟังเลยไปยึดอยู่แค่ตรงนั้นแหละว่าเราดีแล้วเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ฟังเราเลยไม่พัฒนาเลยทเนี้ยถ้าลองไปคิดสมมุติอย่งว่าถ้าสมัยก่อนถ้ากุโยมกันเนคิดว่า คิดว่าเออเราเรา ก, เราก็เราก็มีบ้านแล้วเนี่ยแล้วก็มีเเราก็ทํางานได้ได้แค่นี้แล้วดีกว่าคนอื่นไม่ได้ทําถ้าไปคิดแค่นั้นมันอยู่แค่นั้นไม่มาถึงวันนี้นะนี่ไม่ได้คิดแบบนั้นไงโอ้ยไม่ได้แล้วต <c ười> <c ười> ้องทำให้ <Forget> yelling, มากกว่านี้แต่มันก็ก็มามากอย่างนี้ได้ถ้าไปคิดว่าสมัยก่อนให้ ace, เราไ yeah, ปรเรียนจบ yeah, แล้วปริญญาตรีจบแล้วเราก็ได้ทํางานถ้าคิดแค่ตรงนั้นก็อยู่แค่ตรงนั้นแ <c ười> ต่นี้ไม่ไม่ใช่แค่นั้นเหมือนกันบอกว่าเออเราได้ฟังแล้ว ขั้นต่อไปอ่ะ